หรือว <departed. |mt|>. ่าเวลาไปเห็นแม่น้ําสาใหญ่ๆก็นึกถึงนะเราต้องเรือไปอ่ะขอไปไปเห็นน้ําทะเลก็นึกเนี่ยเราต้องเหน็ดเหนื่อยสูญเสียงเหงื่อต่อไปข้างหน้ามากกว่าน้ําทะเลอีกหลายทะเลนักแล้วจะต้องทนทุกข์ทรมานนบาดเจ็บเลือดนะอะไรตำทิ่มนิดๆหน่อยๆเลือดอะไรก็นึกคือว <sm> sure. yeah. ่าจะต้องเสียเลือดมากกว่าน้ําทะเลนะน้ำตามากกว่าน้ําทะเลน้ําเลือดมากกว่าน้ําทะเลเหงื่อมากกว่าน้ํา ทะเลบอกว่าทนได้ไหมต่อไปถ้าไม่เห็นอริยสัจบอกเลยมาบอกถ้าไม่อยากเห็นอริยสัจก็อย่าบ่นในเรื่องทุกข์นะมันต้องยินดีที่จะเกิดสิเพราะถ้าเราไม่ต้องการเห็นอริยสัจเมื่อไม่ต้องการเห็นอริยสัจก็ต้องยินดีที่จะเกิดที่จะแก่ที่จะเต็บที่จะตายยินดีที่จะเกิดในนรกเปรตอสุรากายเดรฉานบอกตามตรงเลยนะคุยกับต er ัวเองถ้าเธอไม่ต้องการเห็นอริยสัจเธอเธอจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ต่อไปนะ ก็บอกว่าบางท่านก็เถียงเลยนะบอกอุ้ยอยากเห็นอริยสัจไม่อยากเห็นไม่มาโรคแบบนั้นเชื่ อ, อยรอกว่าอยากเห็นแต่ว่าความอยากต้องการจะเห็นอริยสัจวันหนึ่งมี24ชั่วโมงนะวันหนึ่ง24ชั่วโมงใจที่อยากเห็นอริยสัจมีกี่ชั่วโมงบางคนบอกตลอดเวลาครับั้นันนั้นก็มากไปอยากจะเชื่อแต่มันเชื่อไม่ล ง, ง น, น, นี่มาขึ้นข้อความในพระพุทธเจ้าทําอะไรนะ พระพุทธเจ้าติดสะพระพุทธเจ้าพระองค์ที่สิเจดที่พยากรณ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราว่าพระองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าอันนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะนับถอยหลังจากนี้ไปเมื่อ9กบสกับเนี่ยนะเก้าสิบก้าบกับกับอะไรกลับคือหน่วยคือมหากับนะหน่วยคือมหากับถอยหลังเข้าไปเมื่อส่เกาสิบมหากับถอยหลังนับจากพัฒกับ นี้เป็นกัปที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสององค์เป็นกัปที่เรียกว่ามันด ก, กัปกัปที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสององค์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเล่าไว้ในพุทธวงข้อปหน้าห้า้กว่าต่อจากสมัยะนะวันเวลาผ่านไปจากพระพุทธเจ้า ผ่านไปว่างจากพระพุทธศาสนาหนึ่งกัปกับที่92้น้อยนับถอยหลังแต่นี้มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเชื่อว่าพระพุทธเจ้าติดสักนะก็คือหลังจากหมดศาสนาของพระสิทธะพุทธเจ้าโลกก็ว่างจากพระพุทธศาสนาหนึ่งกับแล้วก็กลับต่อไปก็มีพุทธเจ้าเกิดขึ้นชื่อว่าพระติดสะพุทธเจ้าพระองค์ไม่มีผู้เสมอนะพระองค์เป็นผู้ไม่มีการเสมอในไรในปปพระจริยาคุณเนี่ยไม่มีผู้ใดเสมอ นะพระสรีระคุณก็ไม่มีผู้ใดเสมอในการตรัสรู้ในการประกาศพระธรรมจักรในการปรินิพานแต่และอย่างไม่มีผู้ใดเปรียบไม่มีผู้ใดเสมอไม่มีผู้ใดเทียมเท่าพระองค์เป็นผู้มีศีลศีลของพระองค์ไม่มีที่สุดนะพระองค์มีศีลเหมือนใดเหมือนกับแผ่นดินนะศีลของพระองค์ยิ่งใหญ่มั่นคงประดุษแผ่นดินพระองค์มีบริวารยศหาประมาณไม่ได้ ก็ไม่มีตําแหน่งใดสูงสุดในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรมโลกสูงสุดเสมอกับตําแหน่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ยศสูงสุดบริวารหาประมาณไม่ได้ น, นะครัเรียกวัดตําแหน่งยศวัดกันที่บริวารถ้าบริวารมากก็แสดงว่ายศสูงนั้นพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่มีบริวารหาประมาณไม่ได้จะเลยเรียกว่าเป็นผู้มียศหาประมาณไม่ได้พระองค์เป็นผู้นําที่เลิศแห่งโลก ผู้นำเหล่าใดที่นำสัตว์ทั้งหลายไปเพื่อพ้นทุกผู้นำเหล่านั้นเรียกว่าผู้ประเสริฐเป็นผู้นำประเสริฐพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำที่ประเสริฐนะเพราะพาข้ามพ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนรกข้ามพ้นจากทุก์ในปัจจุบันสัมปรายพกสัมปรายพกพาข้ามพ้นจากพบโดยประการทั้งปวงพระมหาวีระพระองค์ผู้แกล้วกล้าผู้องค์อาจผู้กล้า ผู้มีจักสุทั้งมังสะจักสุและยานะจักสุโดยเฉพาะยาณจักสุเป็นเหตุให้พระองค์เนี่ยกำจัดความมืดมนอนทการคือความมืดคําว่าจักสุนั้นพระองค์นั้นมีจักสุในชั้นแรกเลยเนี่ยนะพระองค์มียาเอ่อมีทิพจักสุเพราะพระองค์ระลึกชาติเออระลึกชาติได้เห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายนั้นโดยเฉพาะการเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายอันนั้นสําเร็จด้วยทิพจักสุยาน และตัมมูปะายานแล้วก็พระองค์มีพระปัญญายาณเรียกว่ายานะจักสุมีทิพจักสุยานะจักสุและพระองค์ก็ยังมีพุทธจักสุพระองค์มีพุทธจักสุต ร, ตรวจรู้ความยิ่งความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายรู้อาสยะอนุสยะอัตยาศัายจริตอธิมุตของสรรพสัตว์ทั้งหลายและพระองค์มีพุทธจักสุดวงตาแห่งความเป็น พระพุทธเจ้าเนี่ยนะดวงตาของความเป็นพระพุทธเจ้าดวงตาแห่งความเป็นพระพุทธเจ้านั้ น, นเรียกว่าพุทธจักรสุหมายถึงสัพพัญยุตยานและอนาวรณญยานยามที่ยังรู้สรรพสิ่งโดยไม่ติดขัดพระองค์ก็ทรงกำจัดความมืดบนอนตการเนี่ย น, นะก็บอกแล้วว่าความมืดอันนั้นคือความมืดที่ปกปิด ไม่ให้เห็นว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขานิโรธนี้ทุกขานิโรธาคา ม, มิมีปฏิปทาความมืดที่ปกปิดอดีตทั้งมวลความมืดที่ปกปิดอนาคตที่ยังไม่มาถึงทั้งหมดปกปิดขันธาตุอายตนะสัจจะอินทร์ปฏิจจสมุบาทปกปิดกุศลอกุศลเป็นต้นเนี่ยนะก็คือปกปิดถ้าทมทั้งมวลน่ะนะที่ควรจะตรัสรู้ควรจะรู้ควรจะเห็นควรจะรู้แจ้งควรจะแทงตลอดด้วยปัญญา เออวิชชาเนี่ยปกปิดไว้หมดพระองค์นั้นขจัดความมืดมนอุนธการทําให้เกิดความรู้เหล่านั้นโดยประการทั้งปวงพระองค์ก็สว่างแล้วเนี่ย น, นะข้อไปพระองค์เนี่ยยังโลกพร้อมทั้ง เ, เมื่อพระองค์นั้นขจัดความมืดได้สนิทได้หมดสิ้นแล้วพระองค์ก็ยังโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้สว่างานะพระองค์ก็ยังโลกคําว่าโลกก็คือโลกนี้พร้อมทั้ง เฮ้วลูกให้สว่างให้สว่างนั้นคําว่าสว่างหมายว่าให้เขารู้เขาเห็ น, นนะจกักษุทําให้เช่นโดยเฉพาะสว่างด้วยอะไรธรรมจักสุเนี่ย น, นะธรรมจักสุหมายถึงดวงตาที่เห็นธรรมยังเขาเหล่านั้นให้สว่างให้มีดวงตาที่สว่างด้วยโสดาปติมัสกะทาคามิมัสอนาคามิมัสและอรหัตตมัตถเนี่ย น, นะพระองค์เนี่ยผู้มีกรุณามุ่งจะปลดเปลื้องสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจาก โสกะปริเทวทุกโทมนัตและอุปายาคคำว่ากรุณานั้น เ, เป็นตัวกระตุ้นเตือนให้พระองค์นั้นช่วยปลดเปลื้องสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากวัตทุกขพระติสสะพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงมีพระวรรธน์ที่ไม่มีใครเปรียบเทียบได้ในบรรดาอิทธิหรือฤทธิเนี่ยนะ อิทธิเนี่ยนะตัวที่ทำให้ประสบความสำเร็จโดยประการทั้งปวงเนี่ยไม่มีผู้ใดเทียบกับพระองค์ได้พระองค์มีฤทธิ์ช่วยให้ผู้อื่นบรรลุมรรคผลได้พระองค์เป็นผู้มีศีลหาที่เปรียบไม่ได้มีสมาธิที่ไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบไหมว่ามีสมาธิที่มั่นคงหนักแน่นดุดขุนเขาสิเนรุเนี่ยนะพระองค์ถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวง เพราะทำบางอย่างถึงฝั่งด้วยอภินยาถึงฝั่งด้วยปริญญาถึงฝั่งปหานะถึงฝั่งภาวนาถึงฝั่งสัจฉิกิริยาถึงฝั่งสมาบัติถึงฝั่งแห่งทละถึงฝังแห่งปัญญาคือเรียกว่าสิ่งใดที่เรียกว่าถึงฝังเนี่ยนะฝังหมายว่าที่สุดของที่สุดเนี่ยรงได้ถึงที่สุดแห่งคุณธรรมเหล่านั้นแล้วแต่ถ้ากล่าวรวมๆก็คือว่าถึงฝังที่สุดคือปัญญา ผู้มีปัญญาถึงที่สุดแล้วผู้ตรัสรู้ธรรมถึงที่สุดคือพระนิพพานแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ประกาศพระธรรมจักรให้เป็นไปเนี่ยนะประกาศพระธรรมจักรก็คือประกาศอริยศาสตร์ให้เป็นไปพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงประกาศพระวาจาอันสะอาดในหมื่นโลกธาตุนะวาจาที่สะอาดก็เพราะเป็นวาจาที่ผู้ที่กล่าวไม่ได้กล่าวด้วยวจีทุจริตเป็นวาจาที่ เป็นคําสัตย์คําจริงเป็นวาจาที่ประสานประโยชน์ให้แก่สัรพสัตว์ทั้งหมดเป็นวาจาที่ไม่หยาบเพราะว่าไม่มีสภาพจิตที่หยาบเป็นวาจาที่มีประโยชน์เป็นสังวรวิในปหานวินัยเป็นวาจาที่ทําให้ผู้ฟังมีกายกรรมสะอาดเป็นวาจาที่ทําให้ผู้ฟังมีมโนกวัจีกรรมและมโนกรรมสะอาดพระองค์ก็กล่าวพระวาจาเหล่านั้นที่สะอาดด้วยสัพพัญยุตยานเป็น สมุทฐานมีกรุณาเป็นต้นเป็นสมุทานผู้ที่ฟังและปฏิบัติตามก็ถึงความเป็นผู้สะอาดเนี่ยนะอันพระ อ, องค์ก็เลยประกาศพระวาจาอันสะอาดในหมื่นโลกธาตุมีผู้ตรัสรู้อริยสัจเข้าถึงความสะอาดคืออริยมรรคและพระนิพพานร้อยโกดบรโรลุร้อยโกดเลยนะเห็นอริยสัจตามพระพุทธเจ้าตอนนี้อนุโมอะไรนะตอนนี้ขออนุโมท่านไปก่อนอนาคตเดี๋ยวคนอื่นก็อ น, อนุโมธนากับเราบ้างเราได้เห็นตามอย่างนี้บ้างนะ นั้นการแสดงธรรมของพระองค์มีผู้ตรัสรู้ตามร้อยโกดส่วนครั้งที่สองเนี่ยนะอภิสมัยการตรัสรู้ธรรมเนี่ยนะทำมาทิสมัยการตรัสรู้อริยสัจได้มีแก่สัตเก้าสิโกดครั้งที่3 ม, มีสัตว์ตรัสรู้ตาม60โกดครั้งนั้นพระติสสะพุทธเจ้าทรงเปลืองสัตว์คือมนุษย์และเทวดาให้พ้นจากเครื่องผูกคือสังโยชน์เนี่ยนะพระองค์เนี่ย ตัดเครื่องผูกคือส ก, กายทิ ท, ทิวิจิกิจชาสีระพตะปรามมาริษยาอิจฉาและริษยาสังโยชตที่ดึงไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกนะนะโปรองก็ตัดโซ่ห้าเส้นเหล่านี้ออกไปโปรองก็ตัดโซ่คือการมาราคฆสังโยชตปฏิฆาสังโยชตที่ผูกไว้ในการมาพบโปร่งก็ตัดโซ่คือรู ป, ป ร, รูปปา ร, ราฆรูปป ร, ราคามานาอุทะจาวิชาให้พ้นจากพบทั้งปวงพ้นจากเครื่องผูกทั้งปวงก็องก็ เรื่องสัตว์ให้พ้นภัยเนี่ยเขาไม่ต้องอย่างที่กล่าวในสูตรหนึ่งสูตรว่าด้วยสุนัขถูกล่ามโซ่เขากันอันนันเหมือนอย่างว่าสุนัขที่ถูกล่ามโซ่นะถูกล่ามโซ่ผูกคอไว้กับผูกไว้กับที่หลักเนี่ยนะสุนัขนั้นจะเดินก็เดินข้างหลักนั่นแหละเพราะตัวเองถูกล่ามโซ่เอาไว้ถ้าจะยืนก็ยืนอยู่ใกล้ๆหลักถ้าจะนั่งก็นั่งใกล้หลักถ้าจะนอนก็นอ น, น, อ, นอยู่ ใกล้หลักชันใดปุตตชนก็เหมือนกันมีตันหาและทิฏฐิอิงอาศัยอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกับหลักเหมือนกับหลักโซ่ก็คืออะไรสังโยติที่ผูกล่ามเอาไว้ให้ติดอยู่ในโซ่พันก็หลับไปพร้อมกับเรียกว่าอะไรหลับพร้อมกับการคิดถึงขันห้าตื่นก็คิดถึงขันห้าเดินยืนนั่งนอนใจก็วนเวียนเวียนวนอยู่ในขันห้าเพราะฉะนั้นสัตว์ก็เลยเหมือนกับว่าถูกผูกไว้กับหลักคือ ขันห้าพระองค์ก็แสดงธรรมเพื่อให้ปลดเปลื่องตัดตัดสังโยตัดเครื่องผูกเครื่องร้อยเครื่องรัตที่ผูกมัดเอาไว้กับขันห้าให้ถึงธรรมะที่ปลอดโปร่งโล่งเกษมปลอดภัยที่สุดนั้นก็คือพระนิพานพระนิพานเนี่ยเป็นธรรมที่ปลอดโปร่งโล่งจากภัยทั้งปวงโล่งจากโยค่าทั้งปวงหลุดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวง พระติสสะพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์มีสันนิบาตการประชุมพระสาวกอาหันรสาวกผีนาศผู้ไร้มนทินผู้มีจิตสงบผ้าทหนรสาวกเหล่านั้นผู้คงที่อยู่สามครั้งนะก็คือโดยมากก็การประชุมที่ประกอบไปด้วยองค์4ใช่ไหมว่าพระสาวกเหล่านั้นต้องเป็นเอหิพิกุอุปสัำปทาพระพุทธเจ้าวบวชให้อย่างที่สองเป็นพระารหารทั้งหมด อย่างที่สามท่านเหล่านั้นมาประชุมโดยไม่มีการนัดหมายแล้วก็อย่างที่สี่โดยมากก็วันมาฆบูชาวันเพ็ญเดือนสามวันมาฆบูชามันการประชุมครั้งที่หนึ่งพระขีณาศพแสนหนึ่งครั้งที่สอง9ล้านการประชุมครั้งที่สามแปดล้านมีเป็นล้านๆเลยนะเยอะมากเป็นการประชุมของพระขีนาศพ ไร้มนทินคำว่าไร้มนทินก็คือไม่มีมนทินคือราคาโทสะและโมหะไม่มีความชั่วติดพันอยู่ในกายวาจาและใจบานแล้วด้วยอรหัตผลวิมุตติเนี่ยนะพูดถึงพระโพธิสัตว์ของเราสมัยนั้นพระองค์เป็นกษัตริย์เนี่ยนะชาตินั้นเป็นชาติที่เป็นกษัตริย์นามว่าพระเจ้าสุชาติพระเจ้าสุชาตินี่ก็สละโภคสมบัติอย่างยิ่งใหญ่บวชเป็น หรือสีเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ก็สละโภกทระซับออกบวชเพราะว่าอัธยาศัยปกปติของพระโพธิสัตว์นั้นก็คือโดยมากอยู่ในเพศนักบวชเนี่ยนะถ้าถ้าหากว่าสามารถพอที่จะบวชได้พระองค์ก็จะบวชเพราะว่าผู้ที่บวชนั้นสามารถเจริญกุศลได้มากกว่าไม่บวชก็อย่างที่พระองค์ตรัสว่าคารวาสเนี่ยแคบแคบเป็นทางมาแห่งทุรีนะไม่ปลอดโปร่งนะก็อย่างว่าเป็นผู้มีกิจมากมีธุระมาก เวลาโดย ท, ทั่วไปเนี่ยนะเวลาเข้าลาพระกลับเนี่ยเขาก็ามีอะไรอันท า, านี้มายังพันเตอปุชามะมายังพหุการณียาเป็นต้นนะบอกว่าท่านผู้เจริญข้าปเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีกิตมากมีธุระมากเพราะฉะนั้นก็ได้เวลาขอลากลับก่อนละว่างั้นเออเห็นเวลาพิจารณาเอากลับไปเยอะว่างั้นยะสะธานิตุมแหกํลาลังบัญทะบอกว่เออพิจารณาเอาก็แล้วกันกแปลว่าไปเถอะ สหสางต่อไปกันแล้วกันคือเขเป็นผู้มีกิจมากมีธุระมากอันนี้ปกติเพราะฉะนั้นโดยมากจึงน้อมไปเพื่อจะอยู่ในเพศนักบวชเนี่ยนะสา ม, มารถที่จะเจริญกุศลอย่างเรียกว่าเพศนักบวชนั้นเป็นเพศที่สา ม, มารถเจริญกุศลได้มากที่สุดเนี่ยนะถ้าผู้ใดไปดูในมิลินทปัญหาในมิลินทปัญหาหลายปัญหาด้วยกันที่กล่าวถึงอันนี้สององการ ออกบวชเ น, นี่ยนะอานิสงของผู้ที่เป็นนักบวชซึ่งผู้ที่ไม่ได้บวชยากที่จะทําได้นะนะโดยเฉพาะในการเจริญกุศลเนี่ยเพราะผู้ที่ไม่ได้บวชนะก็มีเรื่องภวะพวาหวงห่วงหน้าพะวงหล้างห่วงคิ ด, ดว่าจับไปตรงไหนก็บวงผูกติดมือมติดหมัดไปหมดว่างั้นเน่ยคิดถึงบ้านก็ห่วงบ้านคิดถึงลูกก็ห่วงลูกคิดถึงพี่ทํางานก็ห่วงมันห่วงไปหมดเลยว่างั้นมันก็เลยยุ่งมากที่ยากที่จะเจริญกุศล อย่างพระราชาพระเจ้าสุดชาตะนี่ก็เหมือนกันสละบุตเลยดีกว่าจะได้เจริญกุศลให้เต็มที่อย่าลืมว่าเป้าหมายของท่านในการสร้างบารมีไม่ต้องการมาเป็นพระราชาไม่ได้ต้องการเพื่อจะมาครอบครองโภคขสมบัติแต่ต้องการเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นอะไรก็ได้ที่จะช่วยให้เป็นพระพุทธเจ้ายอมทุ่มเทเสียสละโดยประการทั้งปวงชาวบ้านชาวเมืองถามว่าพระราชาออกบุตรนี่ชาวเมืองเห็นด้วยไหม โดยมากก็ไม่เห็นด้วยแต่พระองค์ก็ไม่ได้ทําตามเพื่อให้คนเห็นทั่วยอยู่แล้วพระองค์ก็เสียสละแล้วก็ออกบวชพอบวชเป็นฤาษีเมื่อเราบวชแล้วพระผู้นาโลกในกรโล ก, กนายกเนี่ยนะพระผู้นาโลกก็อุบัติขึ้นเพราะได้สะดับเสียงว่าพูดโทรเราก็เกิดปีติดีใจมากเลยนะปี ต, ติอิ่มใจมากที่สุดเขาไม่มีคาไหนที่จะอิ่มเท่ากับคาว่าพูดโธอีกแล้ว เป็นถ้อยคําที่เครียกว่าอะไรนะไม่ทานข้าวก็อยู่ได้ตรงนั้นนะเพราะว่าเป็นถ้อยคําเป็นที่ตั้งแห่งความเอิบอิ่มทางจิตใจเนี่ย น, นะคือ ถ, ถ้าก็คิดนะถ้าพูดถึงว่าในโลกนี้พูดถึงคําไหนแล้วเราสบายใจเอาคำว่าพระพู้เตีเจ้านี่พูดแล้วสบายใจแต่คำอื่นๆนะแหมตอนแรกก็สุขภาพจิตดีๆหัวเราะร่า อ, อ, อยู่ดีๆเนี่ย น, นะพอพูดถึงคําบางคำแค่นั้นแหละเครียดเลยนะเอยชื่อหลายๆชื่อเนี่ยนะบางชื่อนี่นก็ง่อยเลยนะ ซึมแตเลยก็มีแต่ว่าพระพุทธเจ้าในยิ่งพูดถึงเว้นไว้แต่ว่าเราเนี่ยแม้หนักหนาสาหัสเหมือนกันนะกำลังทอาอกุศลมาใหม่ๆเนี่ยกำลังหัวเราะด้วยอกุศลพอพูดถึงคําว่าพระพุทธเจ้าปั๊บเนี่ยหกเลยเพราะอะไรเพราะละอายใจเนี่ยนะละอายใจว่าได้ทำในสิ่งที่ไม่สมควรฤศีพระโพธิสัตว์นั้นพอได้ฟังเสียงว่าพุทโธเกิดขึ้นเนี่ยนะท่านก็ปีติปราบปลื้มใจมากเพราะคําเหล่านี้ใช่ว่าจะหาได้ยินได้ฟัง ง่าแม้แต่ยุคปัจจุบันเนี่ยนะยุคปัจจุบันเนี่ยเขาก็นับแล้วจํานวนผู้ที่นับถือพอจะนับถือตามสมโนครัวก็มีไม่มากนะนะทั้งโลกเลยมีไม่กี่ไม่กี่ร้อยล้าน4ี่ห้ารอยล้านเอง4500ล้านนั้นไม่ได้4ี่ห้าล้านแบบเจือจางมากๆเลยนะแบบค่อนข้างรุ่นจางจริงๆเลยนะไอ้ที่เข้มๆจะมีสักถึงสองล้านหรือเปล่าก็ไม่ทราบที่แบบศึกษาแบบเข้มๆเลยนะแล้วในบรรดา น, นั้นค่อยๆคันคันคัน น, น, นมาก็เหลือไม่ไม่มากนะ คำนี้แม้แต่ในปัจจุบันนี้ก็ยังหาฟังยากเนย น, นะเพราะไปที่ไหนไปพูดถึงคำว่าพระพุทธเจ้าง่ายๆไม่ค่อยได้เหมือนกันนะเป็นคำที่คนที่ประกอบไปด้วยวจีทุจริตฟังแล้วแสลงหูเขานั่นก็ถือว่าเป็นคำที่ได้ยินได้ฟังยากแม้แต่อยู่ที่ไหนแล้วจะพูดถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ว่าจะพูดถึงได้ง่ายๆเชื่อไหม อย่างสมมติเรานั่งกันสองสคนเนี่ยพูดถึงคนอื่นนะพูดได้หมดเลยพอพูดถึงพระพุทธเจ้าเมื่ อ, อไรปั๊บวงแตกแล้วนะพอเอ่ยคําว่าพระพุทธเจ้าขึ้นมาเมื่ อ, อไรและเริ่มเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นชักทุกคนอึดอัดใจครับลําบากใจชักเครียดเพราะว่าเขาเหล่านั้นไม่เคยซ่องเสพคําว่าพระพุทธเจ้าขึ้นมาเขาไม่เคยสั่งสมพุทธานุสติเขาไม่เคยสั่งสมบุญว่าสนามไม่ได้ปลูกฝังบุญกุศลโดยที่มีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์จิตใจของเขารองรับ คนของพระพุทธเจ้าไม่ได้รองรับพระพุทธคุณไม่ได้เมื่อรองรับพระพุทธคุณไม่ได้นี่ก็ยิ่งกว่าตกเครื่องไงกันนะพระโพธิสัตว์นั้นหลังจากที่ได้ยินเสียงว่าพุทธโธพระองค์ก็ดีใจมากนะก็เลยใช้มือทั้งสองประคองดอกไม้ทิพย์คือดอกมณฐารพดอกประทุมดอกปริชัตะกะสะบัดผ้าคากรองแล้วก็เอาดอกไม้เหล่านี้ไปบูชาพระพุทธเจ้า เหมือนอะไรเหมือนสมัยที่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าอัตถทัศีพระโพธิสัตว์ก็เป็นรอสีเหมือนกันเนะเป็นรอสีที่เอาดอกไม้นะดอกไม้ทิพย์ไปบูชาพระพุทธเจ้าในหน้า5้าเนี่ยที่พระองค์ตรัสเล่าไว้ในพุทธวงเรื่องพระพุทธเจ้าอัฏฐทัศนีว่าสมัยนั้นเราเป็นชนินผู้มีตะบะสูงชื่อว่าสุสิมะ อันแผ่นดินคือโลกสมมุติว่าเป็นผู้ประเสริฐนำดอกไม้ทิพย์คือมณฑารบปรุมและปริชัตตกะลงจากเทวโลกมาบูชาในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามติสะพระโพธิสัตว์ก็เป็นฤาษีผู้มีฤทธิ์ใช้เอาดอกไม้ทิพย์เนี่ยนะคือดอกมณฑารบดอกปุมดอกปริชัตตกะมาบูชาพระพุทธเจ้าเหมือนกัน พระโพธิสัตว์ก็ถือเอาดอกไม้ทิพนั้นเนี่ยนะเป็นมาเป็นร่มกั้นพระติสัชินะพุทธเจ้าผู้นำเลิศแห่งโลกอันวันะสี่เหล่าไว้เดล้อมแล้วไว้เหนือเสียงกล่าวนะเป็นพ ร, พระพุทธเจ้าผู้นำเลิศแห่งโลกเนี่ยนะหมายว่าเป็นผู้นำที่เลิศที่สุดแล้วในบรรดาผู้นำเพราะว่านำสัตว์ออกจากวัฏฏทุก์สังสารทุกข์คือวันะสี่แวดล้อมคืออะไร กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรเนี่ยแวดล้อมพระองค์ก็อเอาดอกไม้ทิพย์เนี่ยนะมากั้นเป็นฉัตรก็คือหมายว่าถือร่มถวายพุทธเจ้านั่นแหละแต่เป็นร่มดอกไม้เนี่ยนะก็เหมือนกับฉัตรนะถ้าดูมานกล้ก็ฉัตรเนี่ยข้างขวามือนะแต่ข้างซ้ายมือนะก็เป็นฉัตร น, นะกั้นให้พระพุทธเจ้าครั้งนั้นพระติสสะพุทธเจ้าแม้พระองค์นั้นประทับนั่งท่ามกลางมหาชนพยากรพระโพธิสัตว์ของเราว่า 9กกับนับจากกับนี้ไปท่านผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้านะแล้วก็เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตให้ฟังว่าพระตถาคตานะคำว่าตถาคตคือผู้เสด็จมาอย่างนั้นมาด้วยการสร้างบารมีจนเต็มเปี่ยมออกมหาพิเนศกรมจากกรุงกบิลพัทอันหน้ารื่นรมตั้ง am, ตั้งความเพียรทำทุกกิริยา พระตถาคตประทับนั่งณนโะคนต้นอชปาลนิโครธทรงรับเข้ามาทุ ป, ปายาสนะที่นั้นแล้วก็เสด็จไปยังแม่น้ำเนรัญชราพระชินดเจ้าพระองค์นั้นเสวยเข้ามาทุ ป, ปายาสที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเสด็จดำเนินตามทางอันดีที่เขาจัดแต่งไว้พระองค์ก็เสด็จไปที่ต้นโคนต้นโพจากนั้นพระผู้มียศใหญ่ ทรงกระทำประทักษินโพที่มันทสถานอันยอดเยี่ยมตรัสรู้ณโคนโพพฤกชื่อว่าต้นอสัต t h ต้นโพใบเนี่ยนะท่านผู้นี้มีพระพุทธมารดาชื่อว่าพระนางมายาพระชนกพุทธบิดาพระเจ้าสุทธโธตนะท่านผู้นี้จะมีนามตามโคตว่าโคตมะจากมีอัคขาระสาวกชื่อว่าโกริตะและอุปติสะผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมั่น พระพุทธอุปถากชื่อว่าอานันท์จักบำรุงพระชินเจ้าพระองค์นี้พระองค์จักมีพระอัครสาวิกาชื่อว่าพระเคมาและพระอุบลวนาผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมั่นพอผลักต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นอสัต t h อัครอุปถากชื่อว่าจิตตะและหัตถอลวกะอัคราอุปถายิการชื่อว่านันทมาตาและอุตรา พระโคโดมผู้มียศพระองค์นั้นมีพระชนมายุร้อยปีอายุไม่มากเนาะของเราเนี่ยร้อยยังหายากเลยตัวเลขเกินร้อยเนี่ยแม้หายากยากนะบางคนนี่ก็สี่ห้าสี่สสสบเอ่อสามสิ0ี่สบห้าสบก็เป็นโรคมะเร็งขึ้นเยอะวันก่อนนั่งคุยกับอาจารย์คนหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องด้านการตรวจมะเร็งโดยตรงเลยนะ กบอกว่าโรคมะเร็งเริ่มเป็นตั้งแต่คนอายุน้อยเนี่ยโลน้อยลงทุกวันเนยนะจะเป็นโรคมะเร็งเป็นมากขึ้นมากขึ้นนะใช่ไหมโรคมะเร็งในเริ่มเป็นตั้งแต่คนอายุน้อยน้อยขึ้นนะสามสี่สิบห้าสิบเนี่ยก็เป็นมะเร็งกันเหมือนเป็นแฟชั่นละนะแบบโรคมะเร็งโรคสมัยใหม่โรคไฮเทคเนี่ยนะเป็นกันไม่ใช่น้อยมันก็อายุมันก็ลดลงลดลงลนะแล้วก็เฉลีย่ยแล้วก็ มันก็ลดลงจริงๆแล้วก็อาจารย์ท่านนั้นก็เล่าให้ฟังอีกว่าก็เพราะอะไรสารอาหารที่ไปกระตุ้นเนื้อสัตว์ไอสารอาหารนั้นก็เร่งความเจริญเติบโตให้มนุษย์เพราะว่าสารนั้นมันยังไม่หมดไปจากสัตว์กมนุษย์ก็กระตุ้นก็โตเร็วขึ้นเร็วขึ้นว่างั้นกิเลสมันก็แรงขึ้นมันอายุนิดเดียวมันก็กิเลสมีกําลังเต็มที่แล้วนะเพราะฉะนั้นเมื่อโตเร็วแปลก็แปลว่าตายเร็วเหมือนกันนะ ว่าถ้าโตเร็วก็แก่เร็วถ้าแก่เร็วก็ตายเร็วสังขารมันก็เป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็แก้แล้วนะเหมือนกับว่ารูปเนี่ยขึ้นชื่อว่ารูปแปลว่าอะไรแต่สลายไปเพราะวิโรธที่ปัจจัยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวก็ตายนะเพราะว่าความร้อนความเย็นนี่แหละเป็นตัวบีบให้รูปตายเร็วเขาบอกงั้นมันไม่รู้จะไปปรับอุณหภูมิให้สม่ำเสมอได้ยังไงนะปรับตรงไหนก็ไม่รู้อุณหภูมิโลกนะีนะไปกดปุ่มตรงไหนเนี่ยนะให้มันลดอยู่ระดับนี้นะค่อนข้างยาก